พระพุทธเจ้าก็ดีสาวกของพระพุทธเจ้าก็ดีนี่ท่านก้าวล่วงทำรรกล่าวคือตัณหามานะทิฏฐิได้เรียบร้อยแล้วท่านพ้นจากโสกปริเทวทุกขโทมนะสระและอุปายาสนั้นท่านเหล่านั้นซึ่งเป็นผู้ดับกิเลสแล้วไม่มีชาติทิพยชราภายัยพยาทิัยมราณะภายัยแต่ที่ไหนๆฉะนั้นบุญที่เราท่านทั้งหลายวางไว้กับกลุ่มของท่านผู้มีพระคุณขนาดนั้นนะ่ยจึงเป็นบุญที่หา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 ถึงแม้ยังเป็นโลกีศสารณาคมแต่ก็เป็นโลกีศสารณาคมที่น่าที่นาทึ่งน่าทึงา่งก็คือว่าไม่เศร้าหมองใช่ไหมเป็นศารณาที่ไม่เศร้าหมองเป็นสารณาที่ไม่ขาดจะขาดจริงอยู่ก็ขาดตรงขณะจุติจิตแต่อัทยาศัยภายในที่เราสั่งสมอุปนิสัยปัจจัยไว้ไม่ขาดถึงแม้จะไปอยู่ในภพใดชาติใดเนี่ยอัธยาศัยในการน้อมหาสาสนาจูแรงมากทาได้ไหมล่ะ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 ตอนที่สาธรณสมุทฐานกับอาสาธรณสมุทฐานโดยเฉพาะเป็นอัจฉติกะนะสาธรณสมุรฐานที่เป็นสมุทฐานภายในของท่านที่เกิดขึ้นจากพระมหากรุณาที่คุณตักเตือนท่านเหตุที่มหากรุณาที่คุณตักเตือนของท่านพระโพธิสัตว์รือพระมหาโพธิสัตว์เน่เพราะว่าท่านประกอบบารมีสิบเว้ในตนแล้วก็ประกอบสัตว์เวนตน และในบรร า, ารมีเหล่านั้นท่านขับเคลื่อนด้วยปัญญากับกรุณาฉะนั้นเมื่อมหากรุณาของท่านเนี่ยแรงมากใช่ไหมถามว่าทําไมท่านถึงมีอธัธยาศัยในการที่จะขนสัตว์หรือสัตว์เพราะท่านก็เห็นความทุกข์ของเราท่านทั้งหลายนีย่ที่เราท่านทั้งหลายจมอยู่ในชาติทีทท่ทุกข์ชราทุกข์พยาธิทุกข์แล้วก็มรณะทุกข์เป็นต้นบุคคลพวกนี้เป็นบุคคลที่ยิ่งใหญ่มากที่คิดขนาดนั้นเนี่ย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 ใช่ไมแล้วเมื่อพร้อมช่วงไหนต้องลงมาพร้อมช่วงนั้นด้วใช่ไหมเ่าช่วงแปดหมื่นปีเขาท่านก็ลงมาแปดหมื่นช่วงนี้พร้อมร้อยปีเป็นอายุขท่านก็ลงมาช่วงร้อยปีพอร้อยปีเป็นอายุขในการทำงานของท่านลองคิดดูทีแทบไม่ได้รับแน่นอนเลยอ่ะไม่ได้พักเลยเอ า, อางั้นถเถอะนะเพราะว่าอายุช่วงสั้นมากแล้วจะต้องขจรกระจายพระธรรมเนี่ยนั่นไงคือพระพุทธเจ้า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 ดูก่อนภิกษุทั้งหลายนั่นโคนไม้นั่นเลือนว่านั่นลอมฟาใช่ไหมเธอจงไปเพ่งพินิษฐ์ทั้งอารามโนปณิชานและลัคนูปณิชานเเธอจะได้เป็นผู้ไม่เสียใจในภายหลังใช่ไหมคือพระศาสดาท่านทาเสร็จแล้วท่านนึงเยาวปรินิพานเหลือกิจของพวกเราฉะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยผู้เป็นนาถเนี่ยนีมีพระมหากรุณาธิคุณผู้ทรงกระทําซึ่งกรรมทั้งหลายที่ทําได้ยากยิ่งนะ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 กายกรรมใช่ไหมเออเป็น ว, จ, รรวจีกรรมเพราะวจีกรรมเบ็ดเสร็จอีกเก้าใช่ไหมครบ16หก็มาทั้งกายวาจาีและใจอีกสี่สงไขเนี่ยยิ่งโดยแสนมากับเนี่ยหลายโกรธกลับอย่างเนี้ยซึ่งถึงซึ่งความลำบากเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่สัตว์โลกหนึ่งในนั้นก็คือเพื่อประโยชน์แก่เราภาพ พระเจ้าที่มาตรัสแต่ละองค์แต่ละองค์เลยเพื่อประโยชน์แก่เราทั้งนั้นเลยแต่ยังว่าเนาะมันหลอดต้องยอมรับว่าเป็นพันเอามาตาจริงๆไม่ยอมไปริพณีพันเนี่ยนะโมะบอกโหเป็นพันนี่คงเส้นคงวางยริงนะจะเป็นต่อของวัดตากันอยู่แล้วโงทนยังไม่สะดุ้งสะดือนกันเลยใช่ไหมน่ากลัวไหมแต่นี้เอาใหม่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 เมื่อพูดถึงความบริสุทธิ์แห่งพยานบัณฑิตก็รู้ได้ด้วยว่าอารูปขันเ์ใช่ไหมอรูปขัน์เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในอ า, า, ธาตธรรมนะเน่มองยากไหมในอ า, า, ธาตธรรมเนะี่ยอ า, า, ธาตธรรคมีเจตสิกประกอบสาหกเนาะมีเวทนาันสัญญาขัน์สังขารขันย์แล้วก็วิญญาณขัน์ องรูปขันอรูปธรรมนามขันสีในขณะกระทำอรหัตธรรมของพระพุทธเจนะ้าอันนั้นบริสุทธิ์ทีนี้นามขันสีที่สัมปยุศกับพยานอารูปะขันเนี่ยนะนะแล้วก็ต้องบอกว่ารูปะขันด้วยนะต้องบอกว่ารูปขันมีหัตถยาวัตถุเป็นต้นที่เป็นที่ตั้งของนามธรรมนามขันนะนะั่นแหละ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 ลาสมูไทยก็โดยกิจนี่นะทำนี้รอดให้แจ้งก็คือตอนนั้นขนาดมากกรรคจิตนั้นมีพระนิพพานเป็นอารมณ์จริงๆแล้วตอนนั้นอริยมรรคสติปัฏฐานสมปรปทานอิทิบาตอินทรีพระละโพชงอริยมรรคโพธิปักกิรธรรมก็ประชุมกันในมรรค น, น, น, น, นั้นนั่นนั่นแหละคือพระเจ้าสภาวะนั่นแหละคือพุท ธ, ธะนั่นแหะคือสัมมาสัมพุท ธ, ธะตัดสรู้ได้โดยตนเองก็ย้อนลอยเลยตอเนี้นะย้อนลอยเลยคำว่าย้อนลอยก็คือสืบ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 นั้นต้องมีจุดต่างแน่นอนจึงชัดเจนแจ่มจ้าแล้วก็มีความมหาสจรถรึงบานนั้นก็บ่งบอกถึงอะไรประทัสฐานไม่ธรรมดาแล้วหรือปัจจัยแวดล้อมก็ไม่ธรรมดาเอาดูอย่างนี้ดูปัจจัยที่ยาวนานก็คือบรารมีสิบอุปปารมีสิบปรมัทบบารมีสิบยี่สิบประสงค์ขายยิ่งด้วยแสนมหากับธรรมดาไหมนี่เห็นั้มความไม่ธรรมดา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 ตรวจดูอินทรียเราครบปีย์ยศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาก็หลายหลายล้านองค์เนาะที่ท่านมาตรวจไม่ผ่านท้นทีใช่ไหมแสดงว่าคราวนี้ตรวจไปอีกแล้วนะแล้วจะผ่านไหมเนี่ยผ่านอ๋อเียบกรอกใบสมัครเรียบร้อยแล้วเนาะ อย่าพิชิกใบสมัครทิ้งหรืยอยื่นนี่ยังส่งใบสมัครนี่ยัง <c oughs> ต้องใส่เก็บสมัครไว้หลายใบดิแนละ้ว <c oughs> <c oughs> ไอตรงนี้น้ากลัวตรงนี้ใบเดียวเนาะถ้าสมัครไว้ใ่เดียวก็นา่นาน่าคิดเพราะตรงนี้นะก็ต้องต้องต้องไปพิจารณาดูให้ดี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 วิปัสนาญาณของพระนาคาร์นีแหละเป็นผู้สร้างอารัฐรรคและใครสร้างวิปัสนาญาณของของพระนาคาก็นาคารมีมร์เนี่ยนะใช่ไหมใช่แล้วนาคารมีมร์ก็ใครเป็นผู้สร้างก็วิปัสนาญาณของสกาธาคามีมร์เป็นผู้สร้างมาใช่ไหมแล้วใครสร้างสกาธาคาร์มีมร์ก็วิปัสนาญาณของโสดาบันนั่นเลยแล้วใครสร้างโสดาพอิมา์ก็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 ปีติเนาะปลาโมดแล้วก็อาวิปฏสสารศีลเบเดอร์อลไเนี้ยแล้วก็มาถึงศรัทธาแล้วก็มีการฟังพระธรรมเป็นต้นกันลาไเพียรทำลำดับอย่างนี้นะอันนี้คือการสาวิตนี้ไปตรงกับคำสอนที่บอกว่าสมาธิเกิดขึ้นมาได้ก็เพราะศีลดังที่พระเจ้าตรัสอันนี้ไปเข้าในคำพีสั่งยุตเลยวันก่อนเปิดเปิดไ ป, ไปเยอะคมภีสั่งยุตในกายเนะในชตาสูตร ศีเลปฏิทหายานโรสปั ญ, ญโยจิตตังปัญญจะภาวยังอาตาปีนิปโกภิคุสวุไวมังวิชัตเตเยชะตันตินี่เป็นคัมพีร์วิสุติมา ร, ร์กเล่มเบลอเลยยังใหญ่เลยเดี น, นี้เพราะพระเถรโาศาจา์แต่งคมพีเนี่ยนะแต่งคาถาแค่เนี้ยแต่งเป็นคำพี์วิสุติมาร์กเป็นศีลนิเทศสมาธินิเทศปัญญานิเทศโราเรียนกันต้องบ้านั้งเมืองเลยเรียนจบแล้วเนาะจบยี่รอบแล้ว